ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 สแผ่นที่หนึ่งโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุตรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 สแผ่นที่หนึ่งให้คติธรรมหัวข้อว่าคันติฮิตะสุขาวหา ความอดทนนามาซึ่งประโยชน์สุขอันนี้คือความอดทนเราไปอยู่ณสถานที่ใดความอดทนขันติคือความอดทนจุดนี้ถ้าคนมีความอดทนไปอยู่ณสถานที่ใดก็ส่อถึงความสวยงามถึงจะร้อนจะหนาวจะเป็นยังไงก็งไม่หงุดหงิดแผ่นพานถึงจะหิว ก่มีความอดทนถึงจะผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนยังไงแล้วก็ต้องมีขันติคือความอดทนจะเงียบเจียมตัวอโอกาสที่จะเราจะชี้แจงโอกาสที่เราจะพูดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องขันติคํานี้นะจำเป็นในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมือ่อเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านาจะเป็นพระพระลูกพระหลานคณะสัทธาญาตโยมทุก หมู่ทุกเหล่าก็ตาม เ, าเมื่อได้ยินคำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าขันติหิตะสุขาวหาความอดทนนำมาซึ่งความสุขนี่แหละเราอยู่ในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกหลานครูบาอาจารย์ชุมชนกลุ่มใดถ้าเรามีขันติคือความอดทนแล้วมีแต่ความผาสุข อ, อยู่ในชุมชนกลุ่มของเรา ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตรนตรัยขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขกายสุขใจทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิด